ย่อมมาจากหัดใหญ่คะ่ะกาบเรียหนหลวงพ่อช่วยชี้แนะในการปฏิบัติไม่ทราบ ว, ว่ามาถูกทางหรือยังติดขัดอะไร <ยง S 1> บ้างยกยกไหม่ใกล้ๆป้ปากหลวงพไม่ได้ยินไม่ทราบ ว, ว่ามาถูกทางหรือยังติดขัดอะไรบ้างเห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งกิเลสเกิดบ่อยไหมมากมายเลยคะ่ะแล้วเวลาเกิดขึ้นนี่พอเสร็จแล้วรู้สึกว่า มีความททุกแบจจะขดใคือเรายิ่งเห็นกิเลสเกิดบ่อยนะยิ่งดีคือภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะไม่ให้กิเลสเกิดน ะ, ค, ะคือธรรมดาจิตของเราเนี่ยปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างแต่ส่วนมากมันจะปรุงอกุศลนั้นการที่เราเห็นอกุศลเกิดเยอะแยะไปหมดนะเราเห็นถูกต้อง นี่เมื่อเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดแล้วเนี่ยใจจะต้องเป็นกลางกับเขาถ้าใจเราเกลียดเกลียดอกุศลอะไรเงี้ยใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่ทุกข์นะเราจะเห็นในอกุศลทุกอย่าง <c oughs> เกิดแล้วก็ดับ <c oughs> เกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้แต่ <c oughs> ว่ากว่าจะดับนี่นานบางครั้งต้องหลับตาผ่อนคลายดูอันนั้นเพราะสติแท้ มันไม่เกิดยังไม่เกิดอถ้าสติจริงๆเกิดนะใจจะตั้งมั่นเป็นกลาง <Okay. S 2> คือตัวที่จะช่วยให้เราตัดกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปเนี่คือตัวปัญญาสติมีหน้าที่ไปจับนะปัญญามีหน้าที่ตัดเนี่ยปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางงั้นเวลาที่สติเราไประลึกรู้สภาวธรรมเช่นความโกรธ สติะระลึกได้ปั๊บเนี่ยถ้าใจของเรามีสัมมาสมาธิใจเราตั้งมั่นเป็นกลางนะมันจะขาดทันทีเลยแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดมันไม่ขาดหรอกเพราะว่าความเกลียดเนี่ยเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งที่แทรกเข้ามาใหม่มจะไปเสริมกําลังกิเลสเก่าๆให้เข้มแข็งขึ้นอีกเพราะงั้นการที่โยมโยมรู้สึกไหมตอนนี้โยมบังคับตัวเองแล้วรู้สึกค่ะเลิกซะตรงเนี้ยตัวนี้แหละทาให้มันนิ่งไปหมด กำลังจะกลับเรียนลงกลับถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าโยมเพ่งมากไปหรือเปล่าถ้าถ้าอย่างตะกี้มากไปนะ ม, ปมันต้องสบายคือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของมนุษย์เป็นจิตที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากที่สุดจิตของมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตธรรมดานี่เอง<ม>พวกเราได้ชื่อว่ามนุษย์แบบว่าผู้มีใจสูง ใจธรรมดาของมนุษย์เนี่ยเป็นใจที่เหมาะกับการทำมิปั ส, สนามากที่สุดแต่พวกเราชอบทำลายใจของมนุษย์เราไปสร้างใจของพรหมขึ้นมาแทนอย่างที่โยมทำขึ้นมาเนี้ยใจของพรหมใจที่นิ่งผิดความเป็นจริงเท่ากับเราทิ้งจิตของมนุษย์ซึ่งดีที่สุดนะไปเอาจิตของพรหมซึ่งดีรองลงไปก็ให้รู้สึกตัวว่าตัวเองทาเพ่งไปใช่ไหมคะเพ่งมากไป อันนี้มันจะเป็นผลในถึงตอนนั่งสมาธิแล้วเปล่าพ่อโยมจะสมาธิไม่ค่อยลงจะเห็นแต่ตัวแน่นตัวแข็งที่ออมีค<า>อ<ป>อย่าอย่าไปทำอย่างนั้นน ะ, ะพยายามเพิ่มการเจริญสติในชีวิตประจาวันแต่อย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งปล่อยให้จิตใจรู้อารมณ์ไปตามธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเหมือนคนปกติเลย พอกระทบแล้วเนี่ยนะปล่อยให้เขาก็เกิดปฏิกิริยาตามปกติเหมือนคนทั่วทไปเลยเช่นเราเห็นหน้าคนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราเกลียด เ, ยเราไม่ต้องทําเป็นคนดีว่าไม่รักไม่เกลียดนะเราต้องซื่อตรงกับตัวเองเลยเห็นคนนี้เกลียดมันรู้ว่าเกลียดแล้วเราเห็นเลยความเกลียดเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเราห้ามมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราดูทุกอย่างคือไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะถ้ารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งจะหนีไปทําสมถะ พระคุณหลวงพ่อจะจะพยายามต่อไปค่ะใครดูนะใครดูใช้ใจธรรมดาจิตมนุษย์ธรรมดาดีที่สุดทําไมเราชื่อมนุษย์มนุษย์เพราะผู้มีใจสูงมีใจประเสริฐนะจิตใจมนุษย์ดีที่สุดเลยจิตใจมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมีทั้งดีมีทั้งชั่วอย่างจิตสัตว์นรกที้ทุกเยอะเกินไปจิตสัตว์เดรัจฉานหลงมากเกินไปจิตเปรตจิตอสุรกายโลภมากเกินไป จิตเทวดาเนี่ยเพลิดเพลินในบุญในกุศลในความสุขในความสบายมากไปจิตของพลมนิ่งเกินไปจิตมนุษย์วิเศษที่สุดงั้นเราอย่าทิ้งของวิเศษของเรานะแล้วเราเอาของรองรองลองไปไม่เอาจิตพลมแปลว่าสติตัวจริงยังไม่เกิดไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยจะไม่เจตนาให้เกิดตัวจริงเนี่ยจิตจําสภาวธรรมได้แม่นแล้วเขาเกิดของเขาเองในตอนนี้ยมไปคิดโยมทราบไหม โยมคอยรู้ทันสภาวะของใจอย่างตอนนี้โยมเริ่มบังคับให้นิ่งทราบไหม<ช>เรารู้ลงไปรู้ลงไปนะรู้ทันตัวเองไม่ใช่บังคับตัวเองเรารู้ทันตัวเองคงจะบังคับจนเคยใช่ๆช่ช่โอ้ยอยู่ไกลนะอยู่หันใหญ่อุตสามาเอาซีดีไปฟังนะฟังฟังบ่อยมากเลยฟังแล้วสังเกตของโยมลดการบังคับตัวเองลงนะแล้วจะพอดี ของโยมนี่ก็เหมือนกันนะบังคับเยอะไปนึกออกอยังพวกเทวดาพวกพลมนะพวกเราที่เป็นมนุษย์เวลาจะตายนะเราอยากไปเป็นเทวดาอยากไปเป็นพลมพวกเทวดาพวกพลมเวลาจะตายเนี่ยพักพวกจะวอวยพรขอให้ได้เป็นมนุษย์งั้นมนุษย์นี่ภูมิสูงที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าเลยตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นี่เองจิตใจของมนุษย์นะั้นมันพอดี เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สุดต่งไปข้างใดข้างหนึ่งมันทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทําให้เราเห็นว่ามันมีใจ ร, รักอย่างจิตพลมได้ไปดูให้มีใจ ร, รักดูยากนะมันสบายอยู่อย่างนั้นแหละมันสงบอยู่อย่างนั้นเละหาใจ ร, รักยากเทวดาจิตเทวดาอย่างคุณมนนี่พวกจิตเทวดาพวกบ้าบุญชอบทําบุญแล้วมีความสุขเข้า ว, วัดโน้นออกวัดนี้มีความสุขไปเรื่อยนะพวกนี้ก็ภาวนายากามันจะเพลิน เหลอเพลินเทวดาจะเป็นโรคประจำตัวอย่างหนึ่งพวกเทวดาเขาเรียกโรคเหลอเพลินเหลอเพลินนี่คือกิเลสชนิดหนึง่งชื่อนันทิราคะเพลินเไปพอไปนึกได้อีกทีหนึ่งใกล้จะหมดอายุละใกล้จะตายอันนี้มันมีความ <c oughs> จงใจปฏิบัติ <c oughs> ะะอไรนะมีความจงใจจะปฏิบัติแล้วมันก็มีแข็งแข็งแต่มันมีความสุขด้วยมันก็พอใจที่จะทําอย่างนี้ มันมีความพอใจแกมันเลยจงใจไปปฏิบัตินะรู้สึกั้มมันแกระเฮียนกระหือจะปฏิบัติแบบนี้ยครับมันคึกคักที่จะปฏิบัติคือพระชามันมีฟุ้งซ่านฮะดีรู้ไปเรื่อยแต่บางที่พอหลวงพอพูดแล้วเผลอๆมันก็จะหายไปอืมพอรู้ตัวอีกทีก็ตั้งท่าขึ้นมาตั้งท่าอีกของคุณผู้หญิงเนี่ยใจลอยไปและวนะ คนที่มาจากขนาดใหญ่หนีไปคิดทราบไหมหนีไปคิดะให้รู้ทันหนีไปคิดอะคุณมลหลวงพ่อขาววันนี้มันฟุ้งแล้วมันฟุ้งเร็วมากเลยค่ะวันนี้มันไม่เผลอเพลินแล้วค่ะมันมันลืมไปหมดแล้วค่ะความสุขนั้นมันเหลือแต่แบบมันฟุ้งเร็วมากๆหลวงพ่อแล้วมันไม่ออทันเลยค่ะดีแล้วสมน้ําหน้าไม่งั้นเพลินมีความสุขไปเรื่อยไม่ไหวสิ อย่างนี้เห็นไหมจิตใจวักแวกวักแวกมีความทุกข์ดูไปทุกข์เพราะว่าจะให้มันหยุดวักแวกเหทุกข์เพราะอยากใช่มีความทุกข์เพราะอยากเห็นแต่ว่ามันรู้ไม่ถึงฐานมันก็เลยยังอจิตไม่ถึงฐานชักเก่งแล้ววันนี้รู้ว่าไม่ถึงฐานพ่อตั้งสี่ปีแล้วนะคะก็วันก่อนนั่จิตแหมสบายพอหลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานนั่งงงๆนะเหมันไม่ถึงยังไงใช่ไหมวันนี้รู้อลไรใช่ไหมไม่ถึงฐาน จิตที่ไม่ถึงฐานของมันคือสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่เกิดปัญญาเกิดจากจิตที่มีสัมมาสมาธิบอกสัมมาสมาธิมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิธรรมดานะสมาธิธรรมดาไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาต้องสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคาว่าปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ถ้าเข้าใจเรื่องอื่นไม่เรียกว่าปัญญานะปัญญาจริ ง, รงๆเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความจริงมีเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยอยังเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะแต่เน้นหลักจริงๆในการทําวิปัสสนาเนาี่ยปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจสติที่เป็นสัมมาสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้กายรู้ใจสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจเราะฉนั้นสัมมา lem, สัมมาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลย พอใจไม่ถึงฐานนไม่ตั้งมั่นไม่สักว่ารู้ไม่สักว่าดูแต่ไหลเวลารู้แล้วถลําลงไปรู้เนี่ยปัญญาจะไม่เกิดเพราะข่าวันนี้มันไม่ถลําด้วยค่ะมันมันฟุ้งอยู่แต่ข้างนอกตลอดเลยค่ะมันให้รู้ทันว่าจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านห<ช>รือว่าฟุ้งซ่านอย่ากเกลียดมันนะรู้ด้วยว่าเป็นกลางใช่มนก็คิดว่ามนไม่เกลียดมันนะคะวันนี้แต่ว่ามันเหมือนกับแม้เราก็ น่าจะพยายามมากกว่านี้แต่ไม่กล้าพยายามกลัวจะมาเป็นก้อนใช่ใช่ไม่ต้องอ่ะไปอย่างนี้แหละให้มันรู้ไปมันเร็วก็ไม่เที่ยงนะเออมันฟุ้งมันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมค่ะใช่มันหมดแรงฟุ้งมันก็อยู่เดองอ่ะคุณก็ว่าไงมันขับมันก็เลยลอยเนี่ยคุณผู้ชายนี่ใจลอยไปละวเมื่อกี้นึกออกไหมใจลอยแวบไปเนี่ยลออีกแวบหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจมันหนีเนี่ยอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหม ให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆนะแล้วไงเพราะค่ะมลก็คงรอไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่รอตามยถากรรมน ะ, ะรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้สบายๆดูซิเธอจะฟุ้งได้นานแค่ไหนค่ะคุณมลดวออกไหมในความฟุ้งซ่านไม่มีตัวเราค่ะต้องการตรงนี้ต่างหากละ่ะไม่ต้องการความสงบนะจะต้องการให้เห็นในความฟุ้งซ่านก็ไม่มีตัวเราเพราะข่แต่มันเห็นไม่ตลอดไงฮะ<ม>เดี๋ยวๆมันก็เห็นว่าเออ มันเป็นของมันแต่เดี๋ยวเดี๋วมันก็เออเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนั่นแหละเมื่อไรขาดสตินะมันก็เป็นเราฟุ้งซ่านเมื่อไรมี ม, มีสติมันก็เห็นสภาวะธรรมของความฟุ้งซ่านแล้วก็จะมีความรําคาญที่มันฟุ้งซ่าน<ม>ด้วยเห็นไหมโบราณถึงบอกว่าฟุ้งซ่านําคาญใจอุทัดจะแล้วก็ต่อกุกกุจจะลาคานลาคานว่าโอ้ยมันจะฟุ้งไปถึงไหนเมื่อไหรมันจะดีเนี่ยเรียกว่ากุกกุจจะ ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะมันวใจลอยไปคิดว่าจะสารภาพว่าอุตสาหคิดว่าไม่พยายามมันก็พยายามเหมือนกันนะคะไปช่วยเขาจัดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะและะ้วเระหว่างจัดอาหารมันก็มันก็จมไปกับจัดอาหารมันก็ไม่เห็นแต่พอรู้ตัวก็เห็นมันฟุ้งซ่านอีกแล้วอะคะ่ะแต่ตอนนี้เผลอ ใช่ค่ับเผลอไปคิดจะบลอกปัจจุบันยังไงแล้วยังอยากคุยต่อไม่แล้วค่ะพอแล้วค่ะเห็นไหมหงพ่อบอให้ดูเผอนตยังไม่ยอมดูยังจะอธิบายต่อมังยังไม่หมดเรื่องนี้พี่อยากจะคุยมีเรื่องอยากสารภาพความผิดเยอะแต่วันนี้พอแล้วค่ะเออพอละเราไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ต้องสารภาพบาปคุณผู้ชายแถวที่สองเนะย เอาเสื้อเขียวไม่ต้องตกใจนะวันนี้ผมพาครอบครัวมาครอบครัวผมยังไม่รู้ว่าการปฏิบัติเป็นยังไงฮะให้่อ่ไหน <พา S 1> นะครอบครัวอยู่ไหนมั่งมีสองคนภรรยากับลูกสาวใช่หลวงพ่อช่วยสอนไหนไหนภรรยาให้เห็นหน้าหน่อยเคยภาวนาไหมหย่าไปบังคับกันนะ การภาวนาเนี่ยต้องต้องสบายใจการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะสมมติว่าเราดูละครโทรทัศน์เราก็ภาวนาได้ไม่ใช่ต้องไม่ดูนะแต่ว่าขั้นแรกเลยต้องมีศีลห้าไว้ก่อนก่อนนอนก็ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองไหว้พระสวดมนต์ถ้าทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเรามาฝึกในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อตามองเห็นความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเนี่ยหรือกุศลอกุศลหรือสุขทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจนะให้รู้ทันเชน่นเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจรู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าเพื่อนเดินมานะเห็นคนนี้แล้วเราเกลียดให้รู้ว่าเกลียดเนี่ยเราได้ยินเสียงเสียงคนนี้เราชอบเสียงคนนี้เราเกลียดเสียงคนที่ชอบเราเกิดมาด่าเราเราก็โกรธขึ้นมาให้เราคอยดูใจของเราที่เปลี่ยนแปลงไป เวลาดูหนังดูละครก็ทำได้นะอยู่บ้านดูละครทีวีน้ำเน่าน้ำไม่เน่าอะไรก็ตามเถอะอย่างเห็นนางอิดชามานะเกลียดมันเห็นนางเอกแล้วเอาใจช่วยรู้ว่าเอาใจช่วยเห็นนางอิดชามารู้ว่าเกลียดไม่ใช่รู้ว่านางอิดชามานะรู้ว่าเกลียดนี่ให้คอยดูความรู้สึกของเราไปเราจะเห็นในความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายของชั่วคราว เราคอยดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวแท้จริงชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวนพวกเราจริงจังเกินไปคิดว่ามันจะถาวร อ, อยากมากอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าเรารู้ว่ามันชั่วคราวนะจิตใจจะสงบสันติมากขึ้นมากขึ้นคอยดูลงไปนะทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยแค่นี้พอไหวไหมหไปทำดูนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกใจลอยไป พ่ออย่าบังคับแม่บังคับลูกเยอะนะกรรมาฐานเนี่ยต้องเต็มใจทําต้องสบายใจนะไม่เหมือนเด็กนั่นนะเด็กนั้นภาวนาเก่งที่นั่งถัดไปนนะั่นเลยเขินเลยตอนนี้เขินรู้ว่าเขินเอรู้ว่าเขินเอาวันนี้หลวงพ่อไม่ไล่ทีละแถวแล้วนะเยอะเกินจะไล่ใครอยากคุยยกมือขึ้นอ่ะมีไหมเสื้อสีฟ้าส่งไป ดรงกาบคือส่วนใหญ่ช่วงนี้จะรู้สึกทุกข์มากค่ะเพราะทุกข cool ์ <asta th uk> แล้วก็รู้สึกว่าดูอะไรไม่ออกแต่พยายามดูค่ะนานๆทีจะดูออกมาครั้งหนึ่งเห็นเห็นว่าความความความเครียด่ะคะมันเป็นก้อนก้อนความเครียดอยู่แต่เราเราไม่ได้ทุกข์ค่ะแต่ก็จะเห็นแค่วับหนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นอย่างนี้อีกแ้วก็จะไป กลายเป็นว่ากลายเป็นหมกมุ่นว่าดูยังไงถูกคะ่ะให้รู้นะไปอยากเห็นนะอยากรู้อยากนะกไม่ใช่ว่าต้องเห็นนะถ้าอย่างความเราเรา <c oughs> เราเครียดเห็นความเครียดเป็นก้อนทุกข์นี่มันบางครั้งสติเห็นบางครั้งไม่เห็นพอไม่เห็นแล้วอยากเห็นให้รู้ว่าอยากเห็นไม่ต้องไปดูก้อนทุกข์ละให้ดูความอยากให้เรารู้ปัจจุบันไปขณะนี้อะไรกำลังมีบทบาทหลักในการ ควบคุมหรือบงการพฤติกรรมทางใจของเราเรารู้ตัวนั้นแหละอย่างความอยากจะเห็นทุกให้รูปที่อยากนแล้วก็มีอีกค่ะคือเวลานอนนะคะจะจะดูลมหายใจค่ะแล้วเมื่อเมื่อคืนดูไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆก็เกิดคําถามขึ้นมาในแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนพมันก็พอพอเกิดคําถามนี้ผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็เห็นเห็นขึ้นมาแยกเลยค่ะว่า ว่ามีร่างกายเป็นธาตุกาลังหายใจอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยคะ่ะโอดีแต่เห็นแค่ตังหวะเดียวคะ่ะไม่เป็นไรนะนะเห็นไปอย่างนะั้นฝึกไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยเรื่อยแล้วส่อไปมันจะเห็นมากเข้ามากเข้านะไปเห็นหลายๆทีแล้วจิตใจมันจะรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินความรู้เลยต่อไปนี้จิตถอยออกมาแล้วจะไม่เห็นมีเราตรงไหนเลย<ไ>ตัวเราจะไม่เกิดขึ้นอีกและแล้วก็มีความสงสัยคะ่ะรู้สึกว่าแยก กิเลสกับตัวติดไม่ออกค่ะนหรอสังเกตไม่กิเลสเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่ความโกรธเป็นของที่จิตไปรู้เข้า mm hmm. อะไรที่เป็นของถูกรู้ถูกดูมันก็ไม่ใช่จิตแต่เราจะ เ, เ, เราจะเห็นเป็นตัวติดเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่มีตัวจิตนะตัวจิตเองไม่มีรูปร่างให้ดูหรอกเพราะงั้นเวลาดูเราดูจิตสังขารรูปร่างของจิตคืออะไรคือสัญญากะเวทนา ก็ปลุงขึ้นมาเป็นกุศลเป็นอกุศลเนี่ยเรียกว่าจิตตาสังขารเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆโดยจิตตรงๆไม่เห็นเพราะไม่มีรูปร่างคือเราดูอาการที่มันไปไปรู้อารมณ์หรือรู้ความทุกข์รู้กี่เลยอย่างเงี้ยหรอคะใช่รู้ไปเรื่อยแล้วในที่สุดก็เห็นเลยทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับแต่ใจที่เป็นคนดูนี่มันอยู่ต่างหากไม่ต้องพยายามหาจิตนะอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตนี่หลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้ เอาแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้สึกเหมือนมันจะเพ่งหรือเปล่าครับใจมันซึมไปนิดนึงผมรู้สึกเหมือนมันมันหนักหนักอะครับเออนั่นแหละหนักหนักก็แสดงว่าบังคับไว้รู้ทันก็ดีละให้แม่สอนให้ไปเห็นแม่เที่ยวสอนคนอื่นเก่งนะ <c oughs> แล้วไงหนักหนักแล้วทำไงดี ค <Okay>, yeah. หนักๆก็รู้ไปสินะรูร้ไปก็เห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเอาหน้าเจียมมากับเขาด้วยเหรอวันนี้เอาหน้านิดก็มามานั่งหลับเนะี <c> ่ย <oughs> เอาใครจะคุยต่อเชิญการรมมัการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะเวลาเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะ เช่นอย่างถูกนวดขาบีบกดอย่างแรงแล้วใช้วิธีดึงดึงจิตออกมาจากความเจ็บปวดนะคะมาไว้ที่ตรงตรงใดตรงหนึ่งไม่ทราบแต่รู้แล้ว่าช่วงช่วงนี้คะ่ะเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดคะไม่ถูกถูกเขาบีบขาเจ็บก็ต้องบอกเขาว่าเจ็บเกินไปแล้วเดี๋ยวแข้งขาหักไม่ใช่มานั่งอย่างนั้นน ะ, ค, ะ <c oughs> คือเราอยากเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะอยู่เหนือเวทนา หลายคนคิดว่าภาวนาเพื่อใจได้อยู่เหนือเวทนานะใช่นั่งนานๆปวดแล้วนั่งไปเรื่อยๆชนะความปวดเราไม่ได้ฝึกเอาชนะอะไรเราฝึกเอาชนะความไม่รู้ของตัวเองเท่านั้นเองความไม่รู้อะไรความไม่รู้ว่าขันห้าคือกายกับใจนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉั้อนอย่างเราภาวนาบางคนดูเวทนานะอย่างสายท่านโกเรนก้าขั้นแรกเลยเขาทําสมาธิก่อนอใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา เขาก็ดูร่างกายเนี่ยดูไปเรื่อยๆเห็นเวทนาเวทนาแทรกเข้ามาถ้าดูผิดนะก็จะหาทางว่าทำยังไงเวทนาจะดับแต่ถ้าจะดูถูกให้เป็นวิปัสสนานะก็จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความปวดไม่เคยบอกนะว่ามันเป็นตัวเรา จิตที่ไปรู้ความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราทากรรมฐา น, นเพื่อได้เห็นว่าขันห้าไม่มีตัวเราไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อจะข้ามเมทนาให้ได้คนละเรื่องกันนะถ้าอยากข้ามเมทนาให้ได้ก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็กินยาแก้ปวดวิธีหนึ่งเข้าชานไปไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นเรื่องการละความเห็นผิดว่ามีตัวเรา งั้นนั่งไปแล้วปวดจะเห็นเลยร่างกายที่ปวดนี่มันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นวัตถุความปวดทก็เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในกายไม่ใช่ตัวเราความปวดไม่เคยบอกนะว่ามันเป็นเราเราคิดเอาเองจิตที่ไปรู้ความปวดจิตที่ไปรู้ร่างกายมันก็ทําหน้าที่รู้ของมันมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นตัวเรานี่เราจะเรียนไปเรื่อยนะจนเห็นเลยขันห้าไม่มีตัวเรากรรมฐานเราทําเพื่อเพื่อมาสู่จุดนี้นะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเรา เห็นจริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งเห็นถ้าคลาดเคลื่อนออกจากตรงนี้เรียกว่าอ้อมค้อมแะ้วงั้นไม่ใช่ภาวนาให้ไม่มีเวทนานะมีเวทนานะดีแล้วเราไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินเราต้องมีเวทนากว่าจะได้เป็นมนุษย์นะยากนะพัฒนาการมานานจนเป็นมนุษย์ <c oughs> อย่าฝึกให้กายเป็นก้อนหินนะเคยมีนะก้อนหินกายเป็นสิ่งมีชีวิต ไป ม, มีคือแห้งเจียมีตัวเดียวแหละ <c oughs> อา้าวใครจะคุยเชิญอ่าเนี่ยมือมือนิยกมือเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าหายเพ่งแล้วนะครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังว่าเดี๋ยวจะเผลอมันจะอะไรนะจะเผลอครับฮะทีนี้มันก็เริ่มเผลอไปเรื่อยๆเลยครับคือคือเห็นว่ามีโมหะเยอะขึ้นใช่โมหะเยอะแล้วมันเยอะ มันมันมาเรื่อยๆ เ, เลยอะฮะเดือนกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรารเราต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมมีรูปแบบอันหนึง่งไว้ช่วยนะเช่นเราอยู่กับพุทโธก็ได้นะเราเราแต่อย่ากลับไปเพ่งนะ ร, รู้จักเพ่งแล้วใช่ครับเราพุทโธสบายๆไม่พุทโธเรอาอัดใจให้นิ่งนะพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเราขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้อย่าให้คนอื่นเห็นนะเราแอบแอบขยับเดี๋ยวเขาว่าเราบ้า ขยับขยับเนี่ยแล้วใจเราแวบเรารู้ใจเราแวบเรารู้มันต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยใจจะหนีไปเที่ยวนานหลงนานงั้นในสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกให้มีวิหารธรรมวิหารธรรมในสติปัฏฐานก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็เป็นส่วนของรูปเวทนาก็เป็นส่วนของนามจิตเป็นส่วนของนามธรรมนี้มีทั้งรูปทั้งนามก็รวมความก็คือเอากายกับใจของเราเป็นเครื่องอยู่ เอาอะไรก็ได้สักอันหนึ่งแล้วแต่ถนัดนะสิ่งที่ถนัดก็คือพอไปอยู่กันนั้นแล้วสติเกิดบ่อยไม่ใช่ไปอยู่กันนั้นแล้วสงบเคลิมเคลิมลงไปนะอย่างบางคนไปอยู่กับลมหายใจแล้วเคลิมอย่างนี้ไม่เหมาะมาพุทโธมาสวดมนต์เราก็ได้สวากขาโตอิติปิ e TP, โสอะไรก็สวดไปสวดแล้วก็คอยรู้ทันใจของเรารหรือบริกรรมก ำ, ก, ำกับเข้าไปแต่ไม่ใช่เพื่อให้นิ่งกำกับเพื่อว่าหนีไปแล้วรู้ไวครับ เข้าใจไหมตรงนี้ฮะทีนี้มันเหมือนจะมีมานะด้วยนะหลวงพ่อมานะต้องมีนะเพราะไม่ใช่พระอาหารหันต์คือมันเหมือนกับว่าพอตัวเองเริ่มทําเป็นเริ่มดูดูเป็นแล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติในรูปแบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําได้แล้วก็จะแบบอ๋ออย่าอย่าเชื่อมันนะครับอย่เชื่อมันถ้าเราทําแล้วได้แล้วจริงๆเราจะต้องพ้นทุกข์ได้ครับะถ้ากิเลสยังย้อมใจเราติดก็ยังไม่ได้จริงครับ เรต้องคอยเตือนตัวเองควบคุมมีวินัยมีวินัยในตัวเองนะครับอคนโน้ น, นเบอร์แปดสิบห้ายกมือเม่กี้นี้น่ส่งไปทางซ้ายเอครับ อ, อ, กก อ, อล้วมาสกันหลวงพ่อนะครับก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่า อ, อไม่ใช่ศาสนาคิดอยิยสสารภาพบาสนะครับแต่ก็สักขอสารภาพนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขยันปฏิบัติสักเท่าไหร่ แต่ว่าอ พ, อพอจะเห็นความไม่ค่อยดีจริงๆความเลวร้ายของตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเหมือนกับเราเรารู้แล้วว่านขณ ะ, ะนี้เรามีความรู้สึกโกรธหรือว่าเราเรามีความรู้สึกอ ะ, อะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็มันก็ยังทำ่ะครับคือหมายถึงว่าพฤติกรไม่ค่อยดีเข้าไปมันก็ ก็ก็ ก, ก็รู้ว่าไม่ดีครับอย่างนี้จะจะยังไงดีครับคือเราต้องถือศีลไว้นนะครับต้องถือศีลไว้ก่อนศีล ส, สมาธิปัญญาจําเป็นทั้งนั้นแหละไม่ใช่เดินปัญญาแล้วไม่ต้องมีศีล น, นะอย่างการตามรู้เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาบางครั้งจิตใจว้าวุ่นมากก็ต้องทําความสงบนี่คือสมาธิะแต่ว่าถ้ามืไห ร, ร่กิเลสรุนแรงเราจะทําบาปอากุศลอะไรขึ้นมาแะเราต้องมีศีลกั้นไว้ อะไรที่ไม่ผิดศีลไม่เป็นไรครับผมขั้นแรกมันไม่ผิดศีลบางทีมันผิดธรรมนะครับแต่ต่อไปมันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมครับอยากเลี่ยนถามต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมลองใช้วิธีที่หลวงพ่อแนะนําก็คือว่าปฏิบัติอ่านั่งหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ดูสิ่ง<อ>ที่เปลี่นะหายใจออกเข้าออกออกเข้านะครับ เ, <laughs> เปลี่ยนใช่ครับแล้วก็ มันเหมือนบางทีมันมันไปไหนก็ไม่รู้มันเป็นนิ่ ง, งเงียบแล้วรู้สึกสบายแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันนั้นคือเหมือนกับว่าเราไปติดหรือว่าเราไปหยุดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือเปล่าจิตมันหยุดลงไปหยุดฟุ้งซ่านสงบขึ้นมามีความสุขมีความสบายให้รู้ไปถ้าเกิดพอใจให้รู้ว่าพอใจตัวนี้ตัวสําคัญนะถ้าไปอยู่กับความสงบแล้วพอใจไม่รู้ว่าพอใจอันนี้เรียกว่าติดถ้าพอใจรู้ว่าพอใจไม่เรียกว่าติดอ่ะครั บ, รบแล้ว อยากให้มันเกิดขึ้นนี่คื อ, ค, อคือเป็นความอยาก น, นะ่ไหมครับโลภะนะกิเลสกำลังเกิดให้รู้ว่าโลภะเกิดขึ้นนี่รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอยากเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อนึงนะครับคือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอยากเหมือนกันนะครับคืออยากให้พ่อแม่หรือว่าญาติบางท่านนะฮะที่ที่สุขอายุเขาเขาปฏิบัติหรือว่าอยากให้ทำบ้างนี่นะครับหลวงพ่อมี ข้อแนะนําอย่างไรบ้างครับโอ้ไม่มีนะหลวงพ่อยังสอนแม่หลวงพ่อไม่ได้เลย <c oughs> สอนให้แม่ภาวนาพุโทโธนะพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวลืมไปแล้วไม่ยอมทําครับแต่แต่เอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้ให้ให้เขาฟังเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆนะถ้าเขาไม่ลำคานนะค ร, ครับแต่ถ้าเขาําคาญ <c oughs> เกิดจิตอกุศลเนี่ อ, อย่าไปเปิดครับผมนะชวนเขาทําบุญทําทานอะไรเงี้นไปครั บ, ค, รบคือสังสารวัตรเนี่ยเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมาก เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งเนี่ยถ้าก้าวไปข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีละเงานชาตินี้สมมุติก้าวไปไม่ถึงการภาวนาที่จะทํามิปัสนาได้สมถาก็ยังดีถ้าสมถายังไม่ได้นะได้การทําทานได้การรักษาศีลก็ดีถมไปละเนียทัฒนาการมันต้องค่อยๆสะสมไปยาวนานเพราะงั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆทีละก้าวก็ยังดี พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าท่านไม่สรรเสริญการหยุดนิ่งในคุณงามความดนะีกระทั่งพวกเราภาวนาแล้วนะเราก็ต้องค่อยๆสังเกตตัวเองไปมันดีขึ้นหรือเปล่านะหรือบางครั้งภาวนาพอดีแล้วประมาทนะอย่างที่หนุ่มนี่ว่ามันประมาทขึ้นมาโอ้เราทําได้ทําเก่งแล้วเลยขี้เกียจไปเลยอะไรเงี้ย อ, อย่างนี้เราก็ต้องรู้ทันนะนะเราก็จะอย่าไปยอมหยุดนิ่งเฉยพอใจในความดีที่มีแล้ว ก็ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆพัฒนาไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเข้าใจไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นนะมันถึงจะพัฒนาไปเรื่อยๆอมีใครจะยกมือทางนี้คุณผู้หญิงคุณปรางการราช ก, การหลวงพ่อครับพระนีพพานจะ จะเจอทุกบ่อยแล้วมันก็ห่วงอะฮะแล้วมันเข้าไปยึดแล้วออกไม่ให้ได้เลยห้ามยากนะยิ่งห่วงลูกยิ่งห้ามยากเพราะลูกแปล ว, ว่าห่วงลาหุนแต่ก็ได้เห็นทุกบ่อยอะค่ะอาจารย์คือ ถ, ถ้าเราทํากรรมาฐานไม่ไหวนะก็ใช้การคิดพิจารณาเอาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกันรู้ไม่ไหวแล้วก็คิดพิจารณาเอาแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะอะไรเงี้ยคิดไป เราก็ทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดส่วนผลจะเกิดขึ้นมานะั้นมันมันแล้วแต่กรรมของเขานะต้องพิจารณาอย่างนี้นะะช่วยมันคิดแทนที่จะให้มันคิดในทางบีบคั้นตัวเองให้คิดลงเป็นใจลักษณไว้นะคิดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่องลูกเรื่องอะไรนี่นะเป็นเรื่องสาหัสสู้ยาก เรื่องที่สู้ยากที่สุดเลยนะเคยมีคนหนึ่งนะถือศีลถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ทำไล่ทานายอย่างเดียวนี่ฝนมันแรงสามปีหนะลุกข้าวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะใครๆเข้าไปจับปลากินไปฆ่าสัตว์อะไรเนะี่ยคนนี้ไม่ทานะกระทั่งลูกอดฟนะูงป่องเลยนะให้น้ำกินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นกินนะ ถึงขนาดนั้นก็ไม่ยอมเสียศีล น, นะอดตายเนี่ยศีลถ้าถึงขั้นประมัิบารมนะีปรมัตสบารมนะีเข้มงวดขนาดนั้นนะตายเป็นตายคนเราเกิดแล้วก็ตายถ้าตายกับศีลตายกับธรรมนะพัฒนาการในสังสารวัตนี้ก้าวไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ให้ไปตายนะ ถึงจะสู้มีสติมีปัญญาจริงๆเลยตั้งเข้มงวดในการขัดเกลาตัวเองการเดินทางก็จะสั้นลงถ้าเราหลายคนนะให้ไปฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองไม่ทำนะแต่ให้ไปฆ่าปลาฆ่าไก่อะไรให้ลูกกินที่ทำนะมันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> มันมาพาเราลงนรก ต้องดูไปนะก่อนที่จะมาอยู่ในท้องเราเขาเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้นะเขามาอยู่กับเรานะเราก็ลําบากเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องลําบากพอออกมาแล้วก็ลําบากอีกเยอะแยะเลยมีแต่เรื่องลําบากนะแท้จริงแล้วคนแต่และคนมีกรรมของตัวเองมีกรรมของตัวเองทั้งนั้นเลยหน้าที่เราก็คือเราต้องพัฒนาใจของเราให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็ทําหน้าที่ของแม่ไม่ใช่วา่าละเลยนะ ให้โอกาสแล้วอบรมแล้วลงโทษก็แล้วอะไรอะไรก็แล้วนะสุดท้ายเขาอุเบกขาพ่อแม่มีหน้าที่เป็นพรหมของลูกนะไม่ใช่มีแค่เมตตาการุณานะเมือมุทิตานั้นหมูนะเมตตากรุณามุ ท, ตมทิตานี่ง่ายนะ ถ, าถึงอุเบกขานี่ยากแล้วถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาจริงๆอุเบกขาไม่ได้ถ้าพรหมก็จะตกสวรรค์แล้วตอนเนี้ยนะ อ้าวคนไหนเชิญต่ออ่าข้างหน้าเชิญข้างหน้าส่งมานะส่งมาครับได้ฟังซีดีของพ่อแล้วก็เลยเริ่มฝึกดูนะครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าเราคิดไปหรือเปล่านะหลวงพ่อว่ามันเผลอไปคิดแวบแบแล้วพอมันบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็สงสัยว่าเอะเราคิดไปหรือเปล่าหรือว่าเราจงใจหรือเปล่าครับที่คุณดูอยู่ดูดูถูกต้องละ จิตใจของคุณมันก็ตื่นขึ้นมาเยอะแล้วคุณรู้สึกไหมจิตใจเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมันรู้ตื่นเบิกบานมันสงบมันสว่างสวัยขึ้นมาแต่ตอนนี้นิ่งเกินไปแล้วปกดไว้นะแล้วก็ยังมีคำถาม ท, ที่ที่ฟังหลวงพ่อบอกว่าให้รู้ถึงจิตเนี่ยฮะรู้ถึงจิตถึงใจเนี่ยรู้ยังไงครับหลวงพ่อส่วนมากชอาไปหลงคิดนะหรือบางทีไปรู้อย่างอื่นนะหลวงพ่อยกตัวอย่างหลวงพ่อเคยมีญาติคนนึง เป็นอ้อีนะไอ้ย e. ีตอนนั้นอยู่บองการไอ้ย e. ีมาเยี่ยมแล้วก็มานั่งฟังธรรมะฟังไปสองสามวันนะไอ้ยีก็บอกเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ยีภาวนาเป็นแล้วอ้ยีเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมเนะนี่ยมันรู้ออกนอกนะพัดลมรู้ว่าพัดลมใครมันก็รู้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากเอากลับบ้านเนี่ยรู้ว่าอยากเอากลับบ้านรู้ว่าโลภะเกิดอย่างนี้มันเห็นข้นมาถึงใจตัวเองนะงั้นไม่ใช่เห็นแต่ของนอกนะ เห็นคนเดินมารู้ว่าคนเดินมาเห็นหมามารู้ว่าหมามาคนไม่ภาวนาเขาก็เห็นอย่างงั้นเห็นคนนี้เดินมาใจเราเป็นอย่างงี้เห็นคนนี้เดินมาใจเป็นอย่างนี้เห็นหมาตัวนี้สวยๆน่ารักใจมันชอบเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ให้ถึงใจของเราไม่ใช่ไปรู้นอกๆไปคิดๆเอานะหรือไปดูอย่างอื่นครับแล้วกรณีสมมติเราพอเรารู้แป๊บเนี่ยแล้วมันเหมือนกับมันไม่ยอมรู้ต่อนี่เรามันบังคับไปแล้วบังคับไม่ได้ เร่ฝึกไมไดถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วไม่ใช่ฝึกเพื่อจะรู้ตลอดเวลาเราฝึกให้มีรู้ขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้หลงเท่านั้นเองในที่สุดเราจะเห็นเลยไหมจิตที่หลงห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกเนี่ยสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้พายานจิตที่รู้สึกหรือจิตที่หลงนะเท่าเทียมกันเกิดระดับเราจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเท่าเทียมกันทั้งกุศลและอกุศลเกิดระดับทั้งสุขและทุกเกิดระดับถ้าเห็นอย่างเนี้ใจจะค่อยเป็นกลาง เมื่อใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะเวลาเราไปรู้อะไรเข้าเนี่ยใจจะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงนะในสุดใจจะวางปล่อยวางเข้าถึงมรรคนิพพานนิพพานก็คืออะไรนิพพานคือวิราคะใจไม่มีความหิวโหวยและไม่มีความอยากนิพพานคือวิสังขารใจเราไม่มีความดิ้นรนละนะถ้าใจเราหมดความดิ้นรนเราก็สัมผัสธรรมะ ท, ที่ไม่ดิ้นรนคือนิพพาน ใจเราหมดความหิวโหยหมดความอยากก็สัมผัสธรรมะที่พ้นความอยากก็คือนิพพานตอนนี้หนีที่คิดทราบไหมที่ภาวนาอยู่ใช่ได้ดีละขยันนะอดทนนะค่อยๆเรียนรู้ตัวเองมันคือการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรื่องอื่นเลยการปฏิบัติวิปัสสนานะั่นคือการเรียนรู้ตัวเองรู้เข้ามาที่กายรู้เข้ามาที่ใจนี่จนเห็นความจริงเลยไม่มีเราในกายไม่มีเราในใจนี่กายไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรา ไม่มีเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้อีกพอมันไม่มีตัวเราเป็นตัวตั้งขึ้นมาแล้วความทุกข์มันจะไม่มีที่ตั้งอย่างเราเห็นคนอื่นทุกข์เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราทุกข์เราเดือดร้อนแต่ถ้าเราเห็นว่าเราพกไม่มีนะไม่รู้ความทุกข์มันจะไปให้ใคระไม่เกี่ยวกับเราละภานาไปจนเห็นเลยไม่มีเราท่านพุทธทาสสอนเก่งนะสอนเรื่องไม่มีตัวกูของกูแต่ไม่ใช่คิดเอานะ แต่คิดเอาเรื่องไม่มีตัวกูของกูมันจะกลายเป็นกูไม่มีตัวกูมันะกูตัวเบลอเลยซ่อนอยู่แต่ถ้าเราคยรู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นสภาวธรรมที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างของคุณเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราของคุณจิตของคุณตรงเนี้ยคุณเห็นได้แล้วใช่ไหมคุณเห็นได้แล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมความปวดความเมื่อยอะไรเนี้ยมันเป็นของถูกดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมถูเวทนาตลอดนะครับมันปวดฟันแล้วมันเป็น ปวดเป็นระยะระยะเอัแล้วมันวินิจฉัยไม่ได้ว่ามันเป็นซี่ไหนแต่มันก็เป็นระยะแล้วตอนหลังมันมันทนไม่ได้ครับหลวงพอออย่างนี้เนี่ยการที่ดูแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกต้องไหมครับดูไปนะแล้วปวดฟันก็ไปหาหมอฟันซะผมผมเป็นหมอฟันเองครับแล้วมันหาหาไม่เจอครับไม่เจอมันลําบากนะอย่างหมอตาเนี่ยนะไม่มีวันรักษาตาตัวเองได้เลย หมอฟันนะหลวงพ่อดินทาหน่อยเคยเคยมีหมอฟันคนหนึ่งนะมะมาเรียนหลวงพ่อไล่ถามทีละคนนะอา้าวทาอะไรอยู่หมายถึงจิตขณะนั้นบอกเผลออยู่ค่ะทําอะไรเพ่งอยู่ครับพรมาถึงคนนี้เป็นหมอฟันค่ะ <c oughs> ไม่ฟังเลยว่าคนอื่นเขาตอบอะไรนะช่างไม่รอกการบ้านเลยนะ <c oughs> ที่ทําอยู่ดีละดีนะดูไปเรื่อยๆอดทนนะ เมื่อเรารู้เป็นแล้วเราตามรู้กายตามรู้ใจด้วยความอดทนอดกลั้นขยันดูไม่ใช่ดูวันสองวันหรอกเวลาเราสะสมความเห็นผิดนะเราสะสมมาเป็นชาติชาติตอนนี้เราจะสะสมความเห็นถูกก็ต้องใช้เวลาดูแล้วดูอีกดูลงในกายดูลงในใจของคุณตอนนี้เพ่งมากไปมันคิดนะหลวงพ่อผมลังคิดว่ามันพอมันรู้เยอะเยอะขึ้นแล้วมันเครียดนะฮะอย่างนี้มันถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูก น, นะคเครียดให้รู้ว่าเครียดครับ ถ้าจงใจรู้นะจะเครียดถ้าให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยรู้ขึ้นเองอย่างนี้ไม่เครียดแต่ถ้าจงใจจ้องไว้ก่อนนะอย่างที่คุณทำอย่างนี้จะเครียดตั้งใจรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่ารอดูนะถ้ารอดูเราเครียดให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยให้รู้ทันมันอย่างรู้สึกไหมคุณหมอคนไข้เข้าร้านมาเนี่ยเราเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนความรู้สึกเราไม่เหมือนกัน ไอ้คนนี้เห็นหน้ารู้เลยจู้จี้ที่สุดเลยเห็นก็รำคาญนะรำคาญรู้ว่ารำคาญเห็นคนนี้นะอุ๊ยหน้าตาน่าเอ็นดูต้องฉีดยาให้มือเบาหน่อยเราก็รู้ทันฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละอ้าวมีคนไหนเชิญยกมือต่อไปมีไหมหนึ่งอ๋อยกละสีชมพูสีชมพูก่อน ที่ทาอยู่นี้ใช้ได้บางเ่บ<ท>ำเชอไปนิดนึงโน่ น, นส่งไปข้างหลังน่นขนนัน่นยกที่สองค อ, อนมัสการธรรมหลวงพ่อนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ในการปฏิบัติธรรมคือกำหนดพองหนอ่อยยุบหนอแต่มีความรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเลยไม่รู้สึกว่าสบายหรือว่าสงบก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้แบบ ปฏิบัติโดยใช้มรณานุสติคืออาจไม่แน่ใจว่ า, าใช้วิธีนี้ถูกต้องหรือว่าถูกเจริตกับ ต, ตัวเองหรือเปล่านะคะก็คือว่าจะพิจารณาตั้งแต่เด็กจนถึงกระทั่งโตจนถึงคือใช้ความไม่เที่ยงะคะ่ะจนกระทั่งพิจารณาไปถึงว่าตัวเองเนี่ยตายค่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตจะมารวมอยู่ที่ฝ่ามือค่ะค่ะแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะเย็นเออถูกต้องแต่ถูกต้องแบบสมถะนะแบบสมถะใช่ไหมคะสมัะกรรมฐานใดๆที่ยังเจอด้วยความคิด เ, เป็นสมถะใช่หไหมมรณสตินะก็เป็นอนุสติหนึ่งคิดถึงความตายเรียกมรนุสติเวลาที่เราคิดถึงความตายจิตใจเราสงบ จิตใจไม่เดือดร้อนดิ้นรนฟุ้งซ่านไปมันรู้ว่าไม่นานก็ตายพินานลงไปใจสงบงั้นได้สมถะจิตก็รวมลงมาสงบเย็นสบายนะแต่ว่าพอออกจากตรงนี้เดี๋ยวมันก็กลับไปร้อนอย่างเดิมนะงั้นหยุดอยู่แค่สมถะไม่ได้นะตอนจิตใจสบายแล้วเนี่ยตอนที่เราถอยออกจากสมาธิมาให้มีสติตามรู้จิตไปเลยเราจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้สว่างตอนนี้ชักจะไม่สว่าง จิตเมื่อกี้สบายตอนนี้ชักไม่สบายจิตตะกี้เบาตอนนี้ชักจะหนักๆนะให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะ ต, ต้องวารณาจนเห็นเนี่ยทั้งกายทั้งใจนี่นะมันไม่ใช่ตัวเราต่อหน้าต่อ ต, อตาไม่ใช่คิดเอานะจะต้องรู้สึกเอาเลยรู้สึกได้ชัดๆว่าไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาที่ทําอยู่ดีนะแต่ดีอย่างสมถะใครทําได้ก็ดีแล้วละ่ะดีถมไปแล้วหนะลวงปท่เทศก็เคยสอน บอกว่าถ้าทำกรรมฐานตัวอื่นนะทำสมถะตัวอื่นไม่ลงนะให้ทำมรณาสติอย่างเราโกรธใครสักคนน ะ, จะเจริญเมตตาไม่หายนะให้คิดถึงว่าเดี๋ยวเราก็ตายนะพิจารณาลงไปร่างกายนี้เนี่ยค่อยๆแก่ไปค่อยๆตายนะตายแล้วศพขึ้นอืดขึ้นพองนะจนกระทั่งน้ำเหลืองน้ำหนองไหลตัวเหี่ยวลงมานะตัวแห้งไปอะไรเงี้ยหรือเอาไปเผ า, านะเ้เสร็จแล้วมันไม่โกรธเขา แต่ต้องพิจารณาตัวเองตายนะอย่าพิจารณาว่าให้มันตายซะเถอะมึตายเร็วๆนะอย่างี้ไม่หายโกรธนะอ้าวเชิญใครจะยกมือเชิญอ้าวคนนี้ไวัยเบอร์สี่สิบมาข้างหน้านะนี่ชาวกว่าเขาทุกที <laughs> ถามหลวงพ่อก็คือว่าที่บางทีเห็นแว บ, บๆนี่มันเป็นสติหรือว่ามันเป็นคิดไปเองะะเป็นยังไงเห็นแวบๆคือคือบางทีเราคิดอะไรอยู่แล้วมันก็แว บ, บแล้วมันก็เหมือนตัดความคิดออแล้วมันก็ถูกแล้ ว, ลวใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วที่ดูลมหายใจบางทีมันเครียดนี่คือการเพ่งใช่ไหมใช่ถ้าอยากสงบนะมันจะเครียดถ้าดูเล่นๆ น, นะสบายแล้วก็จะสงบใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่เช้าแล้วต้องสบายนะถึงจะสงบ อ่ะให้คุณผู้ชายนิดทียกหลายรอบแล้วย ก, ยกไม่ทันเด็กอช่าง้ยตอนที่ผมนั่งสมาธิอยู่นะเห็นจิตมันเข้ามารวมแล้วก็พอมันมันมีเวทนาเกิดขึ้นมามันมีจิตชวนให้ไปดูเวทนาแล้วก็ไอ้ตัวที่ที่ดูน่ะมันก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เห็น เห็นมชะดาเวทน า, านาก็ไม่คงที่ใช่ใช่แล้วมันก็รวมรวมเข้ามาที่ที่ความสบายอืมแล้วพอตอนนั้นจิตมันก็จะถอยไปอีกแอบไปคิดที่อื่นอีกอืมแล้วก็พอหลังจากนั้นเราเราก็ตามดูไปจนตัวนั้นดับปุ๊บมันก็กลับเข้ามาที่สงบอีกร็จ แ, แล้วมันมันก็หนีไปคิดอีกก็ตามดูงี้ไปเรื่อยอันนี้ ดูเรื่อยๆนะแต่ถ้ามั น, นฟุ้งซ่านมากเป็นลักษณะธรรมตาหรือไม่แม่เราเดินปัญญาอยู่เราเห็นญญทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดั บ, บนเนีเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราดูไปนานแล้วใจฟุ้งซ่านเราก็ทําความสง บ, บ, บดูแล้วแหมมันเกิดดับถี่ยิบเลยดูไม่ทันละใจฟุ้งไปหมดละอันนี้ทําสมาธิทําความสงบแล้วตัวอย่างก็มีว่าถ้าในเมื่อมันมันมีจิตตัวหนึ่งที่ว่าทำไปสักพักหนึ่ง มีจิตตัวรูกว่พอได้แล้วแต่แต่แต่ผมไม่เชื่อมันเพราะว่ามันเป็นการแบบจะให้เราล้มเลิกทางนี้อช่อย่าไปเชื่อมันก็ดูดูไปดูไปอพักหนึ่งไอ้ไอ้ตัวที่บอกว่าจะให้เลิกอ่ะมันมันพอเรารู้ฐานพ่๊มันก็หายไปเออหายไปแต่ว่าของโยมลดความจงใจดูลงนิดนึงครับให้ดูสบายๆนะครับมันดูจริงจังไปนิดนึง ถ้าดูจริงจังไปแล้วปัญญาไม่เกิดจริงๆริงจใจไม่มีความสุขใจไม่สงบครับ <นะ S 2> จิตใจจะเกิดปัญญาได้จิตใจต้องตั้งมั่นสงบมีความสุขมีพระองค์นึงท่านมาเล่าให้ฟังนะท่านอยู่ในป่าแล้วท่านเป็นมาเรลเลียบอกองค์นี้ท่านบอกอย่างนกร้องอะไรนี่นะท่านรู้นะว่ามันพูดอะไรกันเราฟังแล้วนกมันก็ร้องเหมือนกันทุกตัวเนาะร้องอะไรก็ไม่รู้จักแจ๊กจักแจ๊ก ท่านฟังแล้วท่านแปลได้คือสมาธิท่านเยอะนิดต่อมาท่านเป็นมาเรลลียท่านก็นอนดูไปเห็นกายเห็นใจมันไม่ใช่ตัวเรากายมันก็ป่วยไปใจมันก็ดูไปบอกว่าดูจนกระทั่งไข้มันหายแล้วนะท่านสงสัยว่าทําไมมันไม่เกิดมรรคเกิดผลสทัทีไอ้นนก็ไม่ใช่เราอ้นี้ไม่ใช่เรานะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างแต่ทําไมไม่เกิดมรรคเกิดผลปัญหามันอยู่ตรงที่จิตไม่ตั้งมั่นพอ ดังจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราไปรู้กายจิตถลำลงไปรู้กายเนี่ยเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่เรียกจิตไม่ตั้งมั่นรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนัเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาแท้ๆจะไม่เกิดจิตที่ตั้งมั่นไม่ต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะยัางมันเห็นร่างกายนี้หหาายยใจจไปิตดููอ่ เหมือนเราดูฟุตบอลดูอยู่นอกสนามอย่าวิ่งเข้าอยู่ในสนามนี่ส่วนใหญ่พวกเราเวลาดูกรรมฐานอะไรจิตเราชอบไหลเข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเดี๋ยวก็โดนเขาเตะออกมานะเช่นเราไปรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราไหลหไปนิ่งอยู่กับลมเลยอยันนี้ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้แต่ความสงบเพราะฉะนั้นถ้าหากจิตมันสักว่ารู้สักว่าเห็นมันดูอยู่ห่างๆดูแล้วไม่ถลํา ล, ลงไปดูดูอย่างเป็นตัวของตัวเองอยู่ ของคุณผู้ชายแถวที่สามเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าถล่มลงไปดูนะเมื่อกี้เนี่ยถล่มลงไปอย่างนั้นจะไม่เกิดมรรคขึ้นมาน ะ, นะถ้าจิตมันไม่ถล่มไปดูน ะ, นะเห็นกา ย, กายเห็นใจจนเป็นขนาดนั้นก็คงขาดไปและลงไปคิดทราบไหมลงไปคิดเนี่ยดูอย่างนี้นะดูไป <S <S บังคับตัวเองแล้วทราบไหมเกร็งละหายใจถอนใจทีถอนใจเพือก เออให้มันได้อย่างนั้นภาวนาจะต้องถอนใจเลยนะเพราจริงจังอา้าวใครจะยกมือเชิญหนึ่งแม่หนึ่งก็ส่งส่งแล้วหลวงพ่อกล่าว่าสาบแล้วเลิกนูน่นคนเสื้อขาวผมยาวยาวนูน่นอา้าวเชิญตาบนามสการหลวงพ่อนะคะเออตอนนี้พยายามฝึกดู ในเรื่องของจิตกับกายอยู่ะค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่านะคะอย่าอย่าให้แข็งแข็งนะดูเล่นเล่นดูสบายสบายเวลาเราภาวนาจริงๆมันไม่มาแยกหรอกสายกายสายจิตน ะ, นะเวลารู้กายถูกต้องมันมีสติไปรู้บางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตอย่างตอนเนี้ฟังหลวงพ่อตั้งใจฟังรู้สึกไหมความตั้งใจเกิดขึ้นรู้ว่าตั้งใจสังเกตไหมฟังไปคิดไป ฟังกัคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมค่ะไม่ห้ามนะที่เราฟังแล้วรู้เรื่องได้ก็เพราะเราคิดนั่นแหละงั้นอย่างการฟังแล้วเรารู้เรื่องเราบอกเราเข้าใจด้วยการฟังความจริงไม่ได้เข้าใจด้วยการฟังแต่เข้าใจได้ด้วยการคิดเอาเององั้นเวลาที่คิดเอาเองเนี่ยอาจจะคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้ธรรมะเลยเรียนไม่ได้ด้วยการฟังะตอนเนี้ถูกหลวงพ่อหลอกล่อให้ลืมตัวเองไปแล้วทราบไหมค่ะอย่างนี้นะฝึกไป ใจเราจะหนีแวบแวบแแวบเป็นระยะเนี่ยแล้วคอยตามดูไม่บังคับไม่จ้องไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะของคุณผู้ชายนี่จ้องแรงไปจ้องไว้ก่อนนึกออกยังไปรอดูไปรอดูว่าเมื่อไร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูอเงี้ยหรือเที่ยวไปหานะเที่ยวไปกวานกวนพอไปเจออะไรเข้าสักตัวแล้วไปจ้องไว้อย่างนั้นไม่ถูกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมถือไม้นะคนที่ถือไม่ใจลอยไปคิดแล้วรู้ไหม งงแล้วรู้ไหมรู้ไหมว่างง<ะ>เนี่ยใจกำลังงงรู้ว่างงเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยง่ายจะตายไปเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ห้ามนะเพียงแต่รู้ทันใจไปคิดรู้ไปคิดใจไปดูรู้ไปดูใจไปฟังรู้ไปฟังใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงสัยก็รู้นเนี่ยไปคิดใหญ่เลยรู้ไหมกาลังคิดใหญ่เลยรู้เปล่า S <S ไม่ได้ห้ามนะแต่หัดรู้ตัวเองหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆพอไหวไหมอย่างนี้ยากไปไหมถ้ายากไปเอาง่ายกว่า น, นี้ก็ได้นะอถ้าอยากง่ายกว่า น, นี้นะท่องพุทโธไวพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วใจสบายรู้ว่าสบายพุทโธแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจหนีไปคิดเรื่องอื่น พุโทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุโทโธแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไหวไหมค่ะเ อ, องั้นก็ไปทําเอาอ้าวใครจะยกมือต่อไปมีไหมหนึ่งสองไม่มีนะไม่มีแล้วนะอะไม่มีเชิญกลับบ้านไปวันนี้มีซีดีแผ่นสิบหกออกมาแล้วนะไปฟังซะเอาไปฟังทันพอดี แผนสินะถ้าใครฟังรู้เรื่องนะการภาวนาจะง่ายสุดๆเลยมันเป็นเรื่องของอริยสัจล้วนๆเนะ่ยผูใ้ใดเข้าใจอริยสัจนะก็จะข้ามภพข้ามชาติได้